กันที่8ปาติเทศนิยะสัพบนี้เป็นชื่อของอาบัตแปลว่าจะพึงแสดงคืนเป็นชื่อของสิขาบทแปลว่าปรับด้วยอาบัตปาติเทสนิยะมีสสิขาบทสิขาบทที่หนึ่งว่าอันหนึ่งภิกษุใดรับของเคี้ยก็ดีของฉันก็ดีด้วยมือของตนจากมือนางภิกษุณีผู้มิใชายยา่ญาติ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 จงถวายแกงในองค์นี้จงถวายข้าวในองค์นี้ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นพึงรุกรานภิกษุณีนั้นว่าน้องหญิงเธอจงหลีกไปเสียตลอดเวลาที่ภิกษุฉันอยู่ถ้าคำของภิกษุแม้รูปหนึ่งไม่กล่าวออกไปเพื่อจะรุกรานภิกษุณีนั้นว่าน้องหญิงเธอจงหลีกไปเสียตลอดเวลาที่ภิกษุฉันอยู่ ภิกษุเหล่านั้นพึ่งแสดงคืนว่าแน่เธอพวกฉันต้องทำที่หน้าติไม่เป็นสบายควรจะแสดงคืนพวกฉันแสดงคืนทำนั้นสิกขาบทที่สมว่าอันหนึ่งภิกษุใดไม่ได้รับนิมนต์ก่อนมีช่ผู้อาพาธรับของเคี้ยวก็ดีของฉันก็ดีในสกุลที่สงสมมุติว่าเป็นเสขะดด้วยมือของตนแล้ว เขียวก็ดีฉันก็นดีภิกษุนั้นพึ่งแสดงคืนว่าแน่เธอฉันต้องทำที่หน้าติไม่เป็นสบายควรจะแสดงคืนฉันแสดงคืนทำนั้นคำว่าเสขะนั้นเป็นชื่อเรียกบุคคลผู้ได้บรรลุมรรคผลเบื้องต่ำขึ้นไปจนพระระหัตมรรคแปลว่าผู้ยังศึกษาคือยังควรจะปฏิบัติ เพื่อทำอันสูงขึ้นไปกว่าสกุลใดมีศรัทธากล้าโดยฐานะเป็นเสขะแต่ยากจนมีพระพุทธานุญาตให้สงสวดประกาศสมมติตั้งว่าเป็นเสขะและห้ามไม่ให้ภิกษุเข้าไปรับมิทบาตในสกุลนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เขาสึกหรอเว้นไว้แต่เขานิมนต์เองหรืออาพาธเมื่อไม่มีปัจจัย ขืนเข้าไปปรับอาบัติปาติเทสนิยะด้วยสิขาบทนี้สิขาบทที่สี่ว่าอันหนึ่งภิกษุใดยอยู่ในเสนาสนะป่าที่รู้กันว่าเป็นที่มีรังเกียดมีภัยเฉพาะหน้ารับของเคี้ยวก็ดีของฉันก็ดีอันเขาไม่ได้บอกให้รู้ไว้ก่อนด้วยมือของตนในวัดที่อยู่ไม่ใช่ภูอาภาษ เคียยก็ดีฉันก็ดีภิกษุนั้นพึ่งแสดงคืนว่าแน่เธอฉันต้องทำที่หน้าติไม่เป็นสบายควรจะแสดงคืนฉันแสดงคืนทำนั้น